แต่ไม่เป็นไรเพื่อนนาเสวก็แจวเรือออกไปจากสาราท่าน้ำไปหน่อยเดียวนเสาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนกระโดดน้ำตุ้มตามหลังมาน้าเสาหันไปมองค่ะเห็นน้ากระจายแต่ไม่เห็นคนนะคะคลองมันก็มืดด้วยจะมีก็แค่ไฟตรงหัวเรือเท่านั้นเพื่อนนาเสาก็พายเรือต่อไปก็นึกว่าเป็นปลาเป็นอะไรไปอย่างนี้สายตาก็มองแต่ข้างหน้า